สิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ใช้ตั่งยาวหรือแท่นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูป ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้ตั่งยาวบ้างแท่นบ้างในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานและ